ถึงภาพที่เป็นรูปธรรมเข้ามาจัดการกับมันเสมอนะอย่าเพิ่งลุยเข้าไปกับมันอะไรโดดเข้ามาก็ไปลุยกับมันเป็นเรื่องเวลาวจนจบไม่ได้ต้องตั้งท่าก่อนเออเรื่องนี้เข้ามาแล้วนะจะเอาไงวางแผนเินก่อนตามมันไปไหม น, น, นี่คือข้อได้เปรียบละแต่ความเคยชินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราฝืนได้ยากมากรักเรื่องชังเรื่องผลประโยชน์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเขาเรื่องเราพวกนี้ มันไวมากเลยใครไปพูดผิด ห, หูสักคำนะึงไปเลยนะไม่ตรงมากใช่ไหมโอ้นอนทําไม่หลับทั้งคืนเนวไทยมึงว่ากูแบบนี้ว่ากูไปพูดอะไรกันคิดคิดอย่างนั้นนอนไม่หลับเลยนะเ อ, อ้ที่เราปฏิบัติที่ว่าได้อารมณ์ดีๆเนะี่ยใคร พ, พิดผิดพูดผิดหูสักเรื่องนะ่งไฟหมดเลยแล้นะทั้งทั้งวันเนี่ยไม่มีเหลือเลยมพราั้นต้องระวังไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆนะ การมีสติมันช่วยได้ตรงนี้ไม่ว่าคนปฏิบัติเก่าปฏิบัติใหม่เนี่ยถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังนะีพอเจอเข้าไปหนัหนกๆแล้วก็รุนหนักพอๆกันนะเพราะไฟมันไม่ได้เลือกอะไรไหมผ่านหรือบัณฑิตคนผู้รู้หรือผู้ไม่รู้ขึ้นชื่อว่าไฟแล้วไม่ได้ทุกคนไม่ได้ทุกเรื่องขึ้นชื่อว่ากิเลส ต, ตัณหาแล้วมันีโอกาสเข้าไปก็มันก็ขยายตัวได้ทุกเรื่องดังนั้นขอให้เราได้ระมัดระวังแล้วก็เวลาปฏิบัติอย่าไป คิดว่าจะเอาจะไปคิดว่าจะเอาไปคิดว่าจะได้แต่คิดเสมอว่าเรากำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ข้อมูลมีข้อมูลให้เราศึกษาคือความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางจิตความรู้สึกทางกายเรียกว่าเวทนาความรู้สึกทางจิตเรียกว่าอารมณ์เราก็ศึกษาเรื่องเวทนาและอารมณ์กายและจิตเป็นตัวตั้งเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเราจะดูที่ต้นไม้ดูมันไม่หลากหลายแต่พอมาดูที่เงา ม, ามันล่มมัน มีความหลากหลายเราดูมองต้นไม้ที่มันตั้งอยู่ข้างสะดูมันไม่มีอะไรหลากหลายนะแต่ดูต้นไม้ที่มันยืนอยู่ในสะน่าดูกว่าไหมเวลาเดินไปขอบสะใช่ไหมภาไม้ที่ปรากฏในสะเออเรากลับชอบภาพนั้นมากกว่าที่จะดูต้นไม้ที่มันยืนอยู่ข้างสะเพราะนั้นเหตุการณ์ที่จริงๆเนี่ยมันเหมือนต้นไม้ที่ยืนอยู่แต่เหตุการณ์ที่มันเทียมๆคือเรื่องราวที่มันนํามาคิดเรากลับไป ประทับใจเรื่องเหล่านั้นมากกว่าเราเจริญสติเนี่ยมันจะทําให้จิตเราฉลาดมองภาพจริงมากกว่าภาพหลอกแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เจริญสติร้อยทั้งร้อยน่ะเราจะไปหลงภาพหลอกมากกว่าภาพจริงแล้วดูเหตุการณ์ที่บ้านของเราเนี่ยเราก็เฉยเฉยแต่พอไปสร้างเป็นหนังทําไมเราร้องให้ล้องห่มเป็นภาพเปนเวรใช่ไหม <c oughs> เออเราก็ร้องให้เสียน้ำตาเพราะหนังเนี่นมาเยอะแล้วน่ะนั่นแนหะเราชอบภาพรวมเพราะมันสรรสร้างตกแต่งได้สวยกว่าแล้วเป็นอลังการ ด้วยอำนาจของอตันหานะดังนั้นการเดินสติช่วยให้เราลดนะความเข้มข้นของตันหาหลงเป็นการเจือจางความเข้มข้นของตันหาประทานแล้วก็ทำให้เราสลัดทิ้งตัวคิดตัวอยากได้ง่ายขึ้นเมื่อทิ้งตัวคิดตัวอยากได้ขึ้นจิตเราก็จะเบาสบายเมื่อจิตระบาสบายก็เป็นเหตุกาให้เกิดสมาธิและปัญญาและสมาธิปัญญาตรงนี้ก็จะทาให้เรานาไปใช้ได้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 มันก็จะลับกันเข้ามาเข้ามาแล้วก็อ่านไปอ่านไปการที่เราอ่านได้เห็นผ่านไปเป็นฉากเป็นฉากตรงนี้ยมันก็ทําให้จิตของเราเกิดทักษะเกิดประสบการณ์แล้วประสบการณ์เหล่านี้มันก็จะย้อนนํากลับมาใช้ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอีกครั้งนึงที่เราจะไปประสบ ข, ข้างหน้าอ๋อเราเจอมันแล้วในตอนที่เราปฏิบัติใช่ไหมมันก็เวียนกลับมาให้เราเห็นพเพราะอ๋อเราเจอมันแล้วมันก็ไม่แปลกใจแล้วเพราะในช่วงปฏิบัติเราจึงไม่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 คือการเกิดและการดับดังนั้นสิ่งมันจใจตัวเกิดดับแค่สองอย่างเนี่ยมันจะแปลงมาเป็นกี่หมื่นกี่แสนหน้าก็ตามเราก็จํามันได้มันก็ยอ้อนไปหาที่เดียวงมันใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้จักการเกิดดับมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ต้องไปให้ความสําคัญเป็นของใหม่เหตุการณ์ใหม่ไปเรื่อยๆในครอบครัวลงไปเกิดเรื่องอะไรขึ้นมันก็มีแค่สองเรื่องดีแล้วไม่ดีฝ่ายถูกแล้วฝ่ายผิดแม่ถูกลูกผิด สามีถูกแฟนผิดอะไรหอเนี่ยก็ยัมีแค่2เรื่องน่ะให้เราได้คิดให้เราได้ตัดสินแต่ถ้ามันดีด้วยกันทั้งหมดก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้ามันชั่วด้วยกันทั้งหมดก็มีปัญหาแต่มันก็มีดีมีชั่วอยู่ในเพราะมีเกิดมีดับเพราเราเข้าใจศัจธรรมของชีวิตอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็การวางใจก็ง่ายขึ้นดังนั้นการฝึกฝนในการเคลื่อนไหวเนี่ยมาว่ามันเป็นอะไรที่หลากหลายที่ให้เราเข้าใจได้หลายมุม มองได้หลายมุมซึ่งต่างกับวิธีทั่วไปให้เราเน้นยำ้ำแต่จุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นเราจะออกจากกรอบนั้นไปก็กลัวว่ามันจะผิดจะเพี้ยนเราก็ไม่กล้าใช่ไหมแต่ในวิธีการเคลื่อนไหวคุณสามารถศึกษาได้ทุกอารมณ์ที่เข้ามาไม่มีกรอบตายตัวแต่ประการสำคัญเวลาแห่งการฝึกฝนของเราคือเป็เวลาแห่งการเตรียมกาลังสติสัมปชัญญะให้พร้อมเท่านั้นเองในเรื่อง อารมณ์ที่จะจรเข้ามาเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะไม่มีมาตลอดเวลาใช่ไหมแต่ตัวตั้งรับคือสติสัรมญาณในของเราเนี่ยพร้อมแค่ไหนเพราะฉะนั้นการฝึกฝนของเราก็จึงเน้นความต่อเนื่องเพื่อให้จะได้ทันดูเหตุการณ์เหมือนก็นั่งดูไก่แสน้ําที่ไหลผ่านหน้าเราพลาดสายตามาได้เลยนะมองไปนั้นปุ๊บกลับมาอีกทีอ่อไอ้นั้นไ ห, นหลผ่านไม่ทันดูเลยหรือมองดูรถผ่านหน้าบ้านเราคันไหนบ้างจ้องอย่าง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 แต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนเรื่องนี้เราก็จะไม่เห็นความสําคัญนะเพราะมันเราก็หลงลงืมมาตลอดพบชาติกับกันอยู่แล้วแต่ณวันนี้เราเราิ่มได้เห็นโทษของมันว่าการอยู่ชีวิตมีชีวิตอยู่การหลงลงืมนี่เป็นโทษอย่างไรทําให้เราหลงไหลไปกับมันนั้นสองลักษณะคือการเกิดการดับของคู่เนี่ยเมื่อเราตามทันมันเหลือหนึ่งถ้าตามไม่ทันมันก็เกิดอีกหนึ่งหมายความว่าไงถ้าเราตามทันมันเหลือหนึ่งคือเหลืออะไร ตัวรู้คือแสงสว่างถ้าตามมันไม่ทันมันเกิดอีกหนึ่งคืออะไรคือโมหะและความหลงความมืดใช่ไหมเราก็เรียกว่าโมหะแต่พอเราตามทันมันคือปัญญาตามสุขตามทุกทข์ทันสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วมีอีกตัวเนื้อแหละอทตถุเข้ามาสุขถ้าเราตามสุขตามทุกข์ทันอันุกข้ามสุขก็ไม่เกิดตามสุขตามทุกข์เวทันาอนทุกขมสุขก็เกิด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 เบาเป็นหนักเป็นรกเป็นสวรรค์เป็นบุญเป็นบาปแล้วขยายอะไรไปเยอะแยะเลยเป็นของคู่ขยายเป็นผู้หญิงผู้ชายตายขยายให้เป็นหายใจเข้าหายออกขยายเป็นภาพตาลืมตามากมายทั้งหมดเป็นผลมาจากการเกิดดับทำสิ้นเมื่อเรารู้ทุกอย่างเป็นผลการเกิดดับความเป็นตัวตนจะเหลืออยู่ไหมไม่เหลือเพราะไม่มีที่ตั้งใช่ไหมเพราะมันก็คือถ้ามันงานทำงานถูกทันมันกลเป็นแสงสว่าง แสงสว่างมันอันเดียวกันแหละมีแสงสว่างหลายอนะันใช่ไหมก็นั่นอันเดียวกันมืดก็คือสว่างสว่างก็คือมืดนะไม่มีสว่างมืดจะมีไหมไม่มีมืดสว่างจะมีได้ไหมไม่ใช่จะว่าอันเดียวกันก็ไม่ใช่เจะคนอันก็ไม่ใช่คำว่าเป็นอัญแมันแยปัจจัยองเงี้ยอันญยมันแย่ปัจจัยอยู่เป็นเหตุของการอะกันเหมือนขาสองขามันตั้งอยู่ได้ดินสองขานัดขาหนึ่งอีกนึงก็ล้มแหลกเลยใช่ไหม ขานี้ตั้งได้เพราะขานี้ขานี้ตั้งได้เพราะขานี้เขาเรียกวอัญแมันแยปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีไงเป็นเขาเรียก เ, เป็นปฏิจจสมุบัติอาศัยซึ่งกันและกันพเนพราะมีเกิดจึงมีดับเพราะมีดับจึงมีเกิดเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเป็นปัจจัยการที่พุทธเจ้าท่านค้นพบเพราะมีอวิชาตัญหาก็เกิดเพราะมีตัญหาเกิดก็ไปตามหลับรู้สึกไปไกลไปไหมพอเข้าใจนะอนบูทนาสาธุให้พวกเราทั้งหลายได้